รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนของดีที่ได้จากฝันกรณีเฉพาะตนของปริยาพรอาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยลักษณะางานที่ทำสอนหนังสือวิจัยบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องและทำงานสังคมเกี่ยวกับการเผยแพร่เกียรติคุณของสตรี คำถามแรกปกติถ้าฝันว่าโกรธหรือร้องไห้จะไม่รู้ตัวต้องโกรธต้องแสดงความก้าวร้าวในฝันจนตื่นค่อยมานึกที่หลังว่าในฝันช่างไม่รู้ตัวเอาเลยแต่วันนี้ขณะนั่งหลับไปในรถประจำทางมีกิเลสชนิดหนึ่งมันปรากฏในขณะเราเบลเบลฝันฝันก็รู้สึกตัวแล้วเกิดเสียงบอกว่ามีกิเลส ต, ตัวนี้อยู่แล้วหยุดตามกิเลส เห็นจิตค่อยๆถอนออกมามีความว่างจากความคิดครู่หนึ่งสั้นๆประเด็นคือจากเช้าถึงเย็นเราจำสภาวะนี้ได้อยู่มันมีความเบาสบายแม้ว่าจะมีเรื่องมากมายในที่ทำงานแต่ข้างในกลับไม่วุ่นวายตามคล้ายมีรั้วกั้นเขตอยู่ระหว่างข้างนอกกับข้างในอยากถามว่าภาวะที่รู้ตัวแค่แวับเดียวนั้น จะสามารถทําให้ใจเราเบาไปได้นานอย่างนี้เลยหรือจิตมีอยู่สองท่าท่าแรกคือจ้องจะยึดอีกท่าคือจะไม่ยึดสำหรับคนทั่วไปเกือบมีอยู่ท่าเดียวตลอดการคือจ้องจะยึดหมายความว่าพร้อมจะยึดมั่นถือมั่นเสมอ พอมีอะไรมากระทบหน่อยเดียวโดยเฉพาะที่ดีๆที่น่าชอบใจก็เป็นตระคบหมดด้วยอำนาจความเคยชินสิ่งที่คนเรายึดกันมากที่สุดก็คือความคิดเพราะสำคัญว่าความคิดเป็นของดีมีความคิดอยู่ก็อุ่นใจว่ามีเราอยู่ไม่เฉลียวรู้เลยว่าความคิดเป็นเพียงสภาวะหนึ่งคล้ายกระสุนที่ถูกยิงมากระทบใจ กระทบแล้วก็สลายตัวไปเองจะถือว่าเป็นตัวเราได้อย่างไรสำหรับผู้เจริญสติมาถูกทางคือรู้กายรู้จิตบนฐานความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนถึงจุดหนึ่งจิตจะลอยตัวไม่อยากยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เห็นเข้าไปถึงภาวะที่เกิดขึ้นในจิตก็พร้อมจะสละ ไม่หวงไว้แม้กระทั่งความคิดที่ผ่านมาแล้วผ่านไปทีนี้เมื่อพูดถึงสติที่พร้อมจะรับรู้อะไรๆก็ต้องมองครับว่าธรรมชาติของจิตมนุษย์แบ่งเป็นสองช่วงใหญ่ๆคือ 1. ช่วงตื่นยาว หมายถึงช่วงที่จิตสามารถรับรู้โลกภายนอกอันเป็นรู ป, ปรธรรมผ่านตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งสามารถรับรู้โลกภายในอันเป็นนามธรรมผ่านใจที่พวกเรามีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนกันอยู่นี้ก็เพราะเราสามารถเลือกที่จะมองเลือกที่จะฟังเลือกที่จะดมเลือกที่จะลิ้มเลือกที่จะสัมผัสอะไรอะไรตรงหน้าได้ ตลอดจนสามารถเลือกที่จะคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยที่การเลือกนั้นจะยืนพื้นอยู่บนความรู้สึกพึงพอใจเป็นหลักหากได้มาซึ่งสิ่งที่พอใจก็จะเกิดความสุขและคิดว่าเราเลือกได้และสมใจแล้วซึ่งก็จุดชนวนให้ยึดติดและอยากมีตัวตนไว้เสพอะไรเช่นนั้นอีกไม่อยากให้ภาวะเช่นนั้นแตกทำลายหายสูญไปไหน ในระหว่างของการตื่นยาวนี้อันที่จริงมีการตกผวังอยู่เรื่อยๆคือไม่รับรู้อะไรเลยทั้งโลกภายนอกและโลกภายในทุกคนมีช่วงของอวาวังเล็กๆด้วยกันทั้งสิ้นเช่นก่อนจะเปลี่ยนจากการเห็นรูปสวยๆไปเป็นการได้ยินเสียงเพราะๆนั้นจิตจะเกิดภาวะไหวตัวพร้อมรับเสียงขึ้นมาขณะหนึ่งคล้ายลิงเอื้อมมือจะคว้ากิ่งไม้ใหม่ และขณะต่อมาจิตจะถอนตัวจากการเห็นทั้งหมดซึ่งก็คล้ายลิงที่ปล่อยกิ่งไม้เก่าเพื่อจับกิ่งใหม่เต็มๆ ม, มือทั้งสองขณะแห่งจิตนี้จัดเป็นผวังเพราะไม่ได้เห็นและไม่ได้ยินอะไรเลยแต่ถ้าสิ้นสุดจากการเห็นหรือได้ยินแล้วจิตไม่เข้าไปรู้อะไรเลยแขวนลอยอยู่เฉยๆแม้กำลังปุ้งซ่านก็ไม่รู้ว่าเป็นความคิดเกี่ยวกับอะไร คิดไปถึงไหนแล้วซึ่งตรงนี้ก็คือภาวะเหมือลอยนั่นเอง 2. ช่วงหลับยาวหมายถึงช่วงที่จิตไม่รับรู้อะไรจากโลกภายนอกคือประสาท ต, ตาหูจมูกลิ้นและกายปิดการรับรู้มีแต่ใจเท่านั้นที่อาจรับรู้นิมิตฝัน หรือไม่ก็เข้าพวังหาความรับรู้อันใดมิได้ซึ่งการเข้าพวังนี้ก็ยังแบ่งแยกย่อยออกไปได้อีกว่าเป็นหลับสนิทอย่างมีคุณภาพมีความสุขสบายหรือเป็นพวังครึ่งหลับครึ่งตื่นไม่ค่อยเต็มอิ่มเท่าไหร่พร้อมจะเกิดสภาพฝันมั่วเลอะเทอะไปหมดจะหลับดีหรือหลับร้ายก็ตามถ้ายังฝันอยู่ อาการหลงยึดติดถือมั่นก็ดำเนินไปแบบเดียวกับยามตื่นคือเมื่อประสบนิมิตฝันที่น่าพอใจก็อยากเสพนิมิตนั้นนานๆแต่เมื่อประสบนิมิตฝันที่ไม่น่าพอใจก็อยากให้นิมิตนั้นผ่านพ้นไปเร็วๆพูดง่ายๆคือจิตอยู่ในอาการจ้องจะยึดเหมือนยามตื่นไม่มีผิดและนั่นก็เป็นข้อพิสูจน์ว่า ถึงแม้จะจำตัวตนเดิมๆไม่ได้แต่จิตก็พร้อมจะเป็นทุกข์ได้กับทุกตัวตนเสมอตราบเท่าที่ยังยึดมั่นถือมั่นไม่เลิกพระพุทธเจ้าจึงบอกไงครับว่าความทยานอยากความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองคือมูลเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงไม่ว่าคุณจะนึกว่าตัวเองเป็นใครไม่ว่าตัวคุณจะตายไปแล้วกี่ครั้งกี่หน และจะตายด้วยวิธีหลับฝันหรือเมื่อกายแตกทาลายเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเมื่อยังมีเหตุแห่งทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปแต่กรณีของคุณเป็นตัวอย่างการเจริญสติซึ่งเมื่อสั่งสมมากพอก็จะเข้าไปแทรกแซงความฝันและกระทำจิตให้ลอยตัวเหนือนิมิตฝันได้โดยอาจมาในรูปของเสียงบอกตนเองว่ากิเลสเป็นทุกข์ แล้วจะไปยึดกิเลสไว้ทำไมเท่านั้นเองจิตก็ฉลาดปล่อยกิเลสไปแม้จะยังอยู่ในฝันก็ตามสรุปคือจิตฉลาดได้แม้ยังหลับอยู่นะครับขอเพียงคุณสร้างเหตุแห่งความฉลาดไว้เพียงพออันที่จริงความเข้าใจและสติที่สั่งสมมามีน้ำหนักมากพอจะทำให้จิตของคุณมีอาการแบบที่จะไม่ยึดอยู่แล้ว เพียงแต่จุดชนวนครั้งแรกขึ้นในฝันและเมื่อตื่นขึ้นอาการไม่ยึดก็ยังคงอยู่เนื่องจากสติที่เจริญแล้วยังไม่หมดกําลังให้ผลนั่นเองหากคุณถือคติน้ำขึ้นให้รีบตักเพียงเจริญสติต่อไปก็จะก้าวหน้าขึ้นไปอีกแต่หากคุณถือคติงานเสร็จให้เมาสุขอย่างนี้สติก็จะสารวันเตี้ยลงอย่างรวดเร็วได้เหมือนกันนะครับ ถามที่สองระหว่างที่นอนหลับเมื่อพลิกตัวจะมารู้สึกที่กลางตัวกับกายส่วนที่น้ำหนักกดบนพื้ น, นอนเป็นประจำอาจจะเกิดจากการที่เราพยายามมารู้สึกที่กายบ่อยๆในช่วงกลางวันแต่ถ้าจเจริญสติแบบดูสุขดูทุกข์แล้วจิตมีความอิ่มไม่หิวไม่ง่วงอย่างนี้ถือว่าได้ผลไหม จิตสังสมความเคยชินแบบไหนก็มีแนวโน้มจะดำเนินไปตามความเคยชินนั้นๆเพราะจิตเกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆอย่างเช่นกรณีที่คุณจเจริญสติอยู่กับกายพอจังหวะใดกายไหวตัวพอให้รู้สึกได้สติก็เกิดขึ้นประกบทันทีไม่ว่าจะกำลังยืนเดินนั่งหรือนอนนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่ว่าถ้ารู้สึกเพียงช่วงสั้น ก็ใช้ทำประโยชน์ไม่ค่อยได้ถือว่าเป็นเพียงเศษของสติที่มาทำให้รู้สึกตัวเล็กน้อยไม่มีกำลังมากพอจะตัดความยึดมั่นถือมั่นลงชนิดตัดแล้วตัดเลยเหมือนยามรู้สึกตัวมากๆส่วนถ้าเจริญสติแบบรู้สุขรู้ทุกข์เป็นขณะขณะกระทั่งจิตอิ่มเอมเบิกบานไม่รู้สึกหิวอาหารนั้นก็เพราะจิตเข้าไปอยู่กับปีติสุขนั่นเองครับ ชื่อว่าปีติสุกนั้นเป็นอาหารหล่อเลี้ยงกายใจอย่างหนึ่งหากปีติเกิดมากจนคุณรู้สึกถึงรัศมีที่กระจายกว้างกายใจสงบไม่กวัดแกงไม่สูญเสียพลังงานอย่างเปล่าประโยชน์ก็ย่อมไม่เกิดความหิวเป็นธรรมดาแต่คุณค่าของการเจริญสติแบบรู้สุขทุกข์ที่แท้จริงคือการเห็นสุขทุกข์เป็นเพียงภาวะเกิดได้ดับได้ ไม่น่ายึดมั่นซึ่งถ้าสำรวจแล้วว่าคุณเกิดสติรู้ปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันดำเนินและปล่อยให้มันดับไปโดยไม่ติดอกติดใจอยากเรียกร้องให้มันกลับมาอีกอย่างนี้จึงถือว่าใช้ได้ตามแนวทางการเจริญสติของพระพุทธเจ้าครับ รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนแค่นี้ใช้ได้ไหมกรณีเฉพาะตนของกนกวันแสงเจริญอาชีพพนักงานบัญชีอาวุโลสลักษณะงานที่ทำดูตัวเลขทางด้านบัญชีการเงินและทำรายงานส่งเมืองนอกคำถามแรก การเจริญสติที่ทำอยู่คือตามดูความรู้สึกตัวเองเท่าที่จะระลึกได้แต่ขณะที่เครียดกับตัวเลขสติจะหายไปหมดเลยจะรู้สึกตัวอีกทีก็เมื่อพักเข้าห้องน้ำระหว่างเดินระหว่างกินข้าวนอกจากนั้นก็จะสวดมนต์ก่อนนอนตอนจะหลับกำหนดนอนสมาธินิ่งๆแล้วแผ่เมตตาเวลาตื่นนอนขึ้นมาก็พยายามระลึกรู้อะไรเท่าที่จะรู้ได้ ช่วงที่นั่งรถไปทำงานก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้วแผ่เมตตาเท่านี้นับว่าเป็นการเจริญสติหรื อ, อยังสำหรับคนทำงานในเมืองที่ต้องทำงานไม่มีเจ้านายที่ไหนอนุญาตให้เดินจงกรมนั่งสมาธิในที่ทำงานการออกจากจุดเริ่มต้นก็อะไรประมาณนี้ลหละครับที่เป็นไปได้จริงและนับว่าใช้ได้ ในช่วงของการเริ่มต้นลองผิดลองถูกนั้นหลายคนอยากได้วิธีเจริญสติระหว่างทำงานคือไม่อยากเสียงานแต่ขณะเดียวกันก็อยากให้สติเจริญขึ้นไปด้วยตรงนี้ถ้าทำความเข้าใจให้ถูกก็จะไปได้สวยครับก่อนอื่นสรุปสั้นๆเลยว่าระหว่างทำงานคิดเลขคิดบัญชีหรืองานเอกสารใดๆให้มีสติกับการทำงานอย่างเต็มที่ อย่าพยายามเจริญสติแบบรู้สึกตัวระหว่างทำงานเอกสารเพราะเดี๋ยวจะไม่ได้อะไรสักอย่างทั้งงานทางโลกและความเจริญทางธรรมอย่างไรก็ตามสติอันเกิดจากการทำงานทั้งโลกก็มีประโยชน์และเอามาต่อยอดเป็นการเจริญสติรู้สึกตัวได้ครับขอเพียงคุณสังเกตให้ออกว่าเมื่อเริ่มทำงานใจเพ่งจดจ่อกับงานมากเกินไปหรือว่ารู้แบบพอเพียง ผลข้างเคียงของการเพ่งจดจอ่อกับงานมากเกินไปที่สังเกตง่ายคือมือเท้าจะกำเกรงคอจะตึงตาจะทลนทลนพูดง่ายๆคือมีอาการหน้าดำครื่อเครียดเต็มเหนียวนั่นเป็นภาวะทางรูปธรรมที่สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อจิตแข็งเกินไปในที่สุดกายจะแข็งตาม ส่วนผลลัพธ์ของการตั้งสติทำงานอย่างพอเพียงไม่เข็นไม่ทุ่มไม่จริงจังหนักหน่วงเกินไปจุดสังเกตหลังทำงานคือตัวจะตึงหน่อยๆแต่ยังรู้สึกสบายเนื้อสบายตัวยังหายใจได้แบบโล่งอกไม่เหมือนคนขาดอากาศมาช่วงหนึ่งพูดง่ายๆคือคุณอาจเครียดบ้างเป็นธรรมดาจากการจัด ก, การตัวเลขที่ยุ่งเหยิงให้ถูกต้องแต่จะไม่ถึงขั้นหน้าดำ เพื่อจะปรับสติในการทำงานจากระดับขี่ช้างจับตะกตนลลงมาเป็นระดับพอเพียงนั้นคุณไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่าสังเกตให้เห็นว่าในช่วงเริ่มต้นทำงานจิตมีสภาพแข็งทื่ออึดอัดหรืออ่อนโยนสบายสบายคือไม่ใช่พยายามปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับแข็งทื่อให้รู้ทันว่าแข็งทื่อเฉยๆถ้าอ่อนโยนก็รู้ทันว่าอ่อนโยน เมื่อไม่ต้องกังวลว่าจะทำอะไรกับมันแค่เห็นมันเฉยๆใจคุณจะได้ไม่ต้องมีภาระเพิ่มการสังเกตดังกล่าวนี้อาจเกิดขึ้นเพียงชั่วอึดใจสั้นๆตอนจะลงมือทำงานพอลงมือทำงานจริงก็จดจ่อกับงานไปตามความเคยชินตามสะดวกพอเสร็จงานหรือพักชั่วคราวให้สังเกตอีกทีต้นคอตึงไหมตาป่งพองออกมาหน่อยๆไหม เนื้อตัวส่วนไหนเกรงทื่อไหมถ้ามีอาการผิดปกติตรงส่วนใดแล้วคุณรู้ก็ให้ถือว่ามีสติรู้สึกตัวแล้วที่ตรงนั้นผลของการมีสติรู้สึกตัวคือความตึงเครียดจะผ่อนคลายลงเล็กน้อยให้สัมผัสได้ในทันทีสังเกตเพียงช่วงเริ่มงานกับช่วงจบงานเพียงเท่านี้จิตของคุณ จะค่อยๆฉลาดขึ้นเองกล่าวคือเมื่อเกิดความเกรงหรือตั้งอกตั้งใจมากเกินพอดีก็จะค่อยๆปรับตัวลดหย่อนผ่อนลงมามีสติแค่เพียงพอจะรู้งานตรงหน้าในเวลานั้นๆตัดความห่วงตัดความพะวงเกี่ยวกับเงื่อนเวลาตลอดจนอาการเครื่องร้อนเกินพอดีทิ้งได้หมดนี่แหละครับเมื่อมีสติทางานถูก ก็ต่อยอดมารวมลงเป็นการตั้งต้นเจริญสติหลังเลิกงานได้ทันทีอย่างนี้เองคำถามที่2อยากทราบว่าระหว่างวันเมื่อไม่ได้ทำงานความรู้สึกแค่ไหนถึงเรียกว่ารู้สึกตัวแบบที่จะพัฒนาขึ้นเป็นมรรคเป็นผลได้ เราใช้คำว่าทำความรู้สึกตัวหรือเจริญสติหรือภาวนาหรือปฏิบัติธรรมเห ม, เหมือนกันมีความหมายไม่แตกต่างกันทว่าตัวของสติและประสบการณ์ภายในจะแตกต่างกันไปและแม้แต่ตัวคุณเองในต่างเดือนต่างปีก็ผิดแผกไปเรื่อยเฉะนั้นอย่าถามหาสภาวะที่แน่นอนของความรู้สึกตัวถ้าอยากถามจริงๆ ให้ถามตัวเองแค่ว่าตอนนี้รู้อะไรอยู่ถ้ารู้ลมหายใจใช้ได้ครับเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้รู้สึกตัวด้วยลมหายใจจริงๆถ้ารู้ว่ากำลังนั่งใช้ได้ครับเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้รู้สึกตัวด้วยอิริยาบถจริงๆถ้ารู้ว่ากำลังเครียดใช้ได้ครับ เพราะพระพุทธเจ้าสอนให้รู้สึกตัวด้วยสุขทุกข์จริงๆถ้ารู้ว่ากำลังฟุ้งซ่านใช้ได้ครับเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้รู้สึกตัวด้วยสภาพจิตจริงๆสาคัญคือถามตัวเองด้วยว่าที่รู้นั้นเห็นไม่ว่าสิ่งนั้นๆถูกรู้หากจิตคุณเป็นกลางสบายๆกายใจจะปรากฏเป็นสิ่งถูกรู้เฉยๆ ว่างเปล่าจากตัวตนไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยอย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึ่งเช่นพอความฟุ้งซ่านถูกรู้ว่าเป็นคลื่นความปั่นป่วนพันๆยุ่งยุ่งอยู่ในหัวก็จะคลายตัวลงเป็นสงบลงชั่วขณะที่ตรงนั้นคุณก็เห็นแล้วว่านี่เองสภาพการแสดงตัวของอนิจจงนี่เองความไม่เที่ยงที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลา มองเมื่อไรก็เห็นเมื่อนั้นเสมอหากยังสงสัยอีกว่าสติของคุณพัฒนามาถึงไหนแล้วก็อาจสำรวจความรู้สึกที่มีต่อชีวิตโดยรวมคือรู้สึกอย่างไรโดยมากยึดมั่นถือมั่นจะเป็นจะตายเหมือนเดิมหรือใจสบายหายห่วงมากขึ้นเรื่อยๆสติจะสอนให้คุณรู้ว่าห่วงชีวิตแค่ไหนในที่สุด ก็ไม่เหลือชีวิตให้ห่วงอยู่ดีสิ่งที่คุณจะได้จากชีวิตคือการเรียนรู้ความจริงไม่ใช่การเอาอะไรหลอกๆแค่เดี๋ยวๆจากชีวิตเมื่อความรู้สึกในภาพใหญ่ภาพรวมไปถึงตรงนั้นได้ก็ให้สังเกตย่อยๆลงมาอีกเอาแบบที่โดนเรื่องกระทบโดยไม่ทันตั้งตัวนะครับดูว่าเมื่อมีคนมายั่วโมโหหรือพูดจาเสียดสี ใจคุณเกิดปฏิกิริยามากหรือน้อยถ้าปฏิกิริยาในทางลบน้อยลงแปลว่าการเจริญสติของคุณได้ผลแต่ถ้าไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆเลยอันนี้ให้ระวังดีๆนะครับคุณอาจแช่อิ่มอยู่กับความสุขหมกจมอยู่กับความสุขจากการเจริญสติจนขี้เกียจติดต่อกับโลกภายนอกก็ได้ ปติกิริยาทางใจจะดีหรือร้ายแค่ไหนก็ช่างเอาความสำคัญตรงที่มีสติเกิดขึ้นหรือเปล่าแม้แต่อาการแช่อิ่มอยู่กับความสุขถ้าเกิดขึ้นก็ต้องรู้ว่าเกิดขึ้นแต่ถ้าเพลินกับมันก็ถือว่าสอบตกสรุปคือถ้ากโกรธน้อยลงมีสติมากขึ้นนับว่าเป็นผลของการเจริญแห่งสติครับ ถึงจุดหนึ่งเมื่อถูกคิดว่าสติเราจเจริญมาถึงไหนแล้วก็ให้ย้อนถามตัวเองแบบที่ไม่เคยถามมาก่อนว่านี่ความสงสัยเกิดขึ้นแล้วรู้ไหมความสงสัยที่ถูกรู้นี้เป็นตัวคุณหรือเป็นอนัตตาใจภาคที่ตอบตัวเองจากก้นบึ้งได้จริงๆว่าความสงสัยเป็นอนัตตานั่นแหละคือใจที่ใกล้กับมรรคผลแค่เอื้อมครับ ความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่43อ่านโดยโจโฉในตัวตนมืดมนทนเหน็ดเหนื่อยยากเย็นด้วยแรงพยานลวงตามายาให้หลักแหล่งพักทิงแอบเร้นจนดับดิน เปลี่ยนแปลงลับปลาใจว่ามีรู้สิ้นแต่แปรพันทินทั้งสุดช้าเร็วตามกันที่ถูกบันดานด้วยกรรมเก่า